พุทธวัตรสวัสดีนะคะพุทธวัตรสวัสดีสําหรับรายการสันสนีสนทนาเราก็จะมาพบกันเมื่อได้กล่าวพุทธวัตรสวัสดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วเพราะเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นจะให้ท่านผู้ฟังได้น้อมนําเอาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์ที่เราเรียกกันว่าเป็นพุทธวัจนะนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสวัสดีนะคะ เราจึงได้เริ่มรายการกันด้วยการให้พระมาร์คชาคาวโรหแห่งวัฒนาปาพงลำลู ก, กาคลองสิบน้อมนําพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมไปพร้อมเพียงกันด้วยนวัศ ก, การคะท่านค ะ, จะเจริญพรวันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติทําความเพียรเผากิเลสด้วยการจเจริญอานาปานสติกันต่อถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนการเจริญอาณาปานสติไว้โดยท่านได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้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 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจักเป็นผู้หาโทษมิได้ภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกนั้น ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เราเมื่อยึดถืออยู่เราจักเป็นผู้หาโทษไม่ได้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือก็ยึดถือซึ่งรูปซึ่งเวทนา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 โสกะปริเทวะทุกขโทมนต์อุปายาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดีอยาบ หรือละเอียดก็ดีเลวหรือประนีตก็ดีอยู่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้ก็ดีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า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 แม้ในสันคาญแม้ในมิญญาณอริยสางวกนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความพอใจเพราะความคลายความพอใจย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสางวรนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อันเราอยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้แหลสสำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาใครจะอยู่ในสมาธิต่อก็ทำได้ ใครจะออกจากสมาธิก็ทำได้เดี๋ยววัอาทิตย์หน้าเรามาประพฤติปฏิบัติกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนรัมสการขอบพระคุณนะคะนั่นคือพระมาร์ชชาคาวโรวัดนาปะาพงลำลูกกาคลองสิบค่ะ